ต่อจากนี้ 24 กันยายน 2532ณ จะเทศน์ในๆนี่นะที่มา อาตมาพูดอย่างนี้เนี่ยไม่ใช่ไปดู โรเบิร์ตอ่าอัลเบิร์ตอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ค้นพบทฤษฎีไอ้สัมพัทธภาพนี่ก็ว่าเดียวเหมือนมรรค มันก็เหมือนทฤษฎีที่บอก 8ถถเอาอาวว8 หลัก space and time of continuum เออหรือว่า E mc2 ก็ แต่มันยิ่งใหญ่เรียนกันหัวปู่หัวพังขนาดดอกเตอร์เรียนกันไม่รู้ ปาฏิหาริย์จากสมณะศีลเหล่าปาฏิหาริย์สมณะศีลเหล่า เป็นตัวเกิดตัวจบตัวเกิดตัวตายที่สมบูรณ์ตัวเกิดตัวจบตัวเกิดตัวตายที่สมบูรณ์ จะแล้วเข้าใจ แต่พระอรหันต์เจ้าที่ยังไม่ตายจะมีร่าง รู้ว่ามันเหลือน้อยๆ อ่ายังหยาบยังไงกลางนี่มันเป็นอาการยังไง รสเป็นยังไงอ่านอารมณ์หรือว่ารส ก็ก็ฟังไปนะจะถึงขั้นๆๆแล้ว จุดความโตของกิเลสแล้วก็ทําให้มันแก่ลงแก่ มันไอ้กิเลสเจ็บเนี่ยมันมันคงจะไม่ กิเลสเจ็บนี่หมายถึงว่าเราจะเจริญเรื่อยๆเพราะฉะนั้นใน เราฆ่ากิเลสโอ้มันอยู่เรื่อยอ่อนแออยู่เรื่อยมันเหมือนมันเจ็บตัวเองเหลือเกินนะมันแมะ ที่เล็ดๆอะไรแต่มันเหมือนมีมวลเหมือนกันแต่มันเป็นนามธรรมไม่รู้จะ จะทะเลาะกันว่าแสงอ่ะแสงมันเป็นกระแสเนี่ยเนี่ยอย่างนี้เค้าเทียมกันวิทยาศาสตร์ มันเป็นกระแสอ๋อกระแสแต่มันมีปริมาณที่ลดลงได้ก็มีทางหยุดได้เหมือนกัน ถ้าไม่ฉะนั้นแล้วมันโตดโตดเกิดเนี่ยแต่เป็นความคนทั้งโลกเค้าไม่เกิดเกิดทุกวันๆคือทุกวันน่ะไม่รู้ มันมีอยู่แล้วในตัวเรานั่นน่ะมันเกิด ทั้งทั้งที่เรายิ่งมาเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ย ตามวิธีการที่พุทธเจ้าท่านสอนเราเราเรา<ละ> แต่เราเห็นเพิ่มขึ้นอีกเราเห็นเพิ่มขึ้นนี่จึงไม่ได้หมายความว่าเรา เราก็มีวิธีการนะถือศีลถือธรรมลดจํานวนพยายาม ก็เกิดมันก็ฟักตัวมันแล้วมันก็ความเกิดของกิเลสก็ ใช่มั้ยใช่มั้ยสมุทัยนี่เกิดมาจากกิเลสนะ แต่เราทำลายกิเลสเนี่ยจ้วงมันมันมั่นมันง่ายแม้มัน<ๆ><ๆ> ไฟฟื้นแล้วเพื่อนเกิดอีกเล่นๆไอ้ๆนะเพราะฉะนั้นเราจะต้องฆ่ามันให้ตาย เหตุปัจจัยเมื่อมันตายลงไปแล้วการเกิดของร่างกายก็ยังเป็นอยู่หรือหลายเหตุปัจจัยก็ตามแท้แล้ว กิเลสๆเลยเหลือแต่จิตบริสุทธิ์สะอาดจิตมันก็จะทํางานเป็น เดรัจฉิบบริสุทธิ์ทุกอย่างบริสุทธิ์จบชาติแล้วยังไม่ตายในรูปโอยทุกคนน่ะมัน ห้ามนี่ไม่ใช่ตัวเหตุแท้ไม่ได้สําหรับร่าง กิเลสแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องนี่นะตั้งแต่คุณจะศึกษาไปเป็น อรหัตตภูมิหรือเป็นอรหันต์ในบุรีกิเลสมันหมดเลยมันเห็นด้วยปัญญาอันยิ่ง ไม่มีซะก็เฉยๆไม่มีก็สบายดีด้วย มันๆเลิกได้แม้แต่ที่สุดรูปรกถึงเสียงสัมผัสใน มันยิ่งโอ้เบิกบานสดชื่นดีเห็นมั้ยน่ะยิ่งถูกจับ จิตใจของเรามันไม่เจ็บตัวไม่เจ็บตนอะไรแล้ว จะจับครั้งคุกจะยิงเป้าเราก็ไม่ว่าเพราะเข้าจะจะจะ Are you sure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 คุณทําได้แล้วคุณพอใจมั้ยคุณทําได้แล้ววิมุตติเป็นอย่างนี้แหละแนววิมุตติรส มากแต่ทางนี้สิน้อยยังมีคนเห็นศาสนายังมีคนเอาศาสนามันยังมีคนเอาเพิ่มขึ้นอยู่เหมือนกันนะแต่คุณ แล้วมันก็รับเองแล้วมันก็มั่นใจเอง ห้าวเชื่ออพรรอปฏิบัติเป็นกุศลเป็นสิ่งจริงๆทําของตัวเองนั่น อาตมายังนึกไม่ออกอะไรจะมาเปลี่ยนความเห็นๆ เพราะฉะนั้นผู้ใดปฏิบัติได้ในการเกิดการแก่การเจ็บ<ว> ก็บำเบลือมันอีกเนี่ยระเวียนวนนี้เลยโดสังสารวัฏอยากก็ทุกข์ มันมันก็ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องแก่เห็นไหมก็ไม่ต้องเจ็บแล้วมันก็ไม่ตอบ <Between> <rix> ความดีดีน่ะนี่คือการตัดสังสารวัฏไม่มีแล้วความเกิด เราจึงต้องเกิดมาหาแสวงหาใหม่จึงลงปุ๊บ <c oughs> ที่สวยงามเต้าเผาสบที่สวยงามงามเต่าผ่าศพที่แล้ว บารมีของคุณจะต้องเป็นบารมีชอบท้องหมาคุณก็ไป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 แต่เยอะงันอาตมาก็รอเท่าที่อาตมาก็รอกว่าคนที่ไม่รอกว่าอาตมาจริงมั้ย ใครอยากจะทุกข์ร้อนเกิดมาๆยากๆๆ ถ้าจะให้มันเป็นกุศลวิบากเกินมาดีมา คุณจะเกิดก็เพราะคุณยังไม่อยากจบวิภวตัณหา พอบริษัทที่มีความปรารถนาที่จะใช่มาแล้วคนมาถามกันย้อน การงานของผู้ไม่เห็นแก่ตัวงานของผู้ไม่เห็นแก่ตัวมันไม่มีการงาน เพราะฉะนั้นถ้าเพราะว่าเป็นพระๆท่านหยั่งลง ท่านก็ไม่ต้องการแล้วถ้ายาก <ย าก. S 1> ทำให้สมใจตนเองตามกิเลสนี่ยากแต่ทําให้คนคนอื่นน่ะมัน ช่วยคนอื่นนั่นน่ะมันยากจะช่วยคนอื่นนั่นน่ะง่ายพระง่ายมั้ยง่ายง่าย จะไม่เกิดอีกไม่ต้องสร้างเพราะวิภวตัณหาอีก หมดทุกตัณหาหมดแม้แต่อย่างลง เพราะการจะมีเจ็บไหมจะมีตายไหมไม่มีตายของๆตอนนี้การ แล้วไม่มีการเกิดอีกเป็นจริงๆไม่มีการเกิดอีกเป็นจริงๆคุณ ตัวรูปร่างกายมนุษย์ชายชาติได้โดยประการละชน คุณอยากจะสร้างสรรต่ออยากจะเกิดอีกเกิดคุณสร้างกุศลไว้รองรับตัวคุณไปๆ เพราะเราเป็นตามเราฐานะของนี่อาจคนเชื่อถืออาตมา อันนึงไม่เชื่อทั้งๆที่อยากจะทําอยู่แต่ว่ายังไม่เชื่อคุณก็ไม่ทําอีกอันนึง คุณง่ายและคุณก็ต้องอยู่ได้ด้วยอาตมาไม่ได้ไป ลูกเต่าเหล่าล้านญาติโกโยติกะก็หัดตดละลงมาได้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 อาตมาถามจริงๆนะคุณอยากเกิดเป็นผู้ชายกันบ้างมั้ย บำรุงสามีเจ็บสากจริงๆอย่างอ่าใจๆๆแล้วไอ้สงฆ์ของบุญบุญบารมี แหมบุญบารมีก็ต้องเกิดเป็นน่ะหรือเป็นผู้หญิงเอ้ยเป็นผู้ชาย มีประจำเดือนทุกมีประจำเดือนไม่ต้องเป็นทุกอุ้มท้องไม่ต้องเป็นทุกคลอดลูก เพราะบางอย่างพระพุทธเจ้ามันพูดก็ไม่เคยรู้เรื่องอย่างมากๆวัน ว่าบรรพเเม่กูจะเกิดมาเป็นผู้ชายอย่าว่าแต่เกิด ด้วยปการาชณีย์นี่ของพุทธที่แท้จริง ว่าเราจะสิ้นสุดเกิดแก่เจ็บตายทั้ง มันได้แค่สะอุปาทิเสสนิพพานได้แต่แค่ให้กิเลสมันตายแต่ร่าง ทุกข์เพราะยังกินยังหายใจยังให้ อ่าเป็นวิบากกับทุกข์ตรงที่ว่ามันเป็นวิบากมันจะโอ้แก่ก็ไม่กลัวแก่ก็ไม่ทุกข์หลายคนเออแล้วมันไม่ ผมเดี๋ยวนี้ก็ยอมปล่อยแล้วให้มันขาดไปก่อนนึงยอมมูยหน้าตานี่ไม่อยาก ไม่เท่าทานไอ้เจ็บป่วยมันก็ยิ่ง คุณจะเข้าใจแล้วคุณๆๆๆๆจนกระทั่งๆไม่กลัวทุกข์หรอกไม่กลัววิบากหรอกไม่ ยังเป็นตัวถึงให้อาตมาต้องยิงเป้าแล้วจะได้แล้วจะได้เชื่อเชื่ออ่ะใช่มั้ยเพราะฉะนั้นมัน ถ้าเข้าไปๆเมื่อไหร่เราก็มีบุญเหมือนกันได้เข้า พอมันมันสบายมันก็ๆๆๆแล้วชีวิตก็สบาย อ่าล่ะก็เป็นนี้อะไรทําเอาเอาปฏิบัติเอาให้ เพราะว่ามันเป็นธรรมะที่โอ๊ยจริงเราได้สิ่ง พยายามจงพยายามที่จะมาพิสูจน์มันยืนยัน จะบรรลุธรรมมันมีมากน้อยต่างกันไม่ใช่ว่าจะแต่ สั่งสมธรรมะนั้นสั่งสมกัมมาน้อยเพราะฉะนั้นการ อภิว่าปฏิบัติเรามีเพียนของเราอยู่ให้เต็มที่มีและไม่ย่อนยานจนมีผลน้อยทางที่ตรง สังคมสิ่งแวดล้อมดีมีครูบาอาจารย์มีผู้นำผู้พาเราก็ยิ่งสามารถจะเดินทางไปได้เร็วดีมีครูตื่นๆ วันหนึ่งจนได้ทําใจให้สบายจน ผู้ฉลาดย่อมรู้ปัจจุบันธรรมรู้อารมณ์จิตของ คลายความโกรธความโกรธคลายความหุ่นหมองนั่นเป็นความสบาย ที่มีปัญญามันมีอารมณ์ไม่ดีตัวรู้อารมณ์ของจิตประมัดถ้ามัน เรียนรู้จิตให้ลึกซึ้งขึ้น 7 ตัวที่จะทําส่วนจะได้เร็วหรือช้าตามความ และเราปฏิบัติธรรมให้มีความสบายเราก็เป็นผู้ได้รับความสุขของแต่ละ ปฏิบัติตามเป็นทุกข์ปฏิปทาย่อมเป็นผู้รู้มีสติแล้ว ผู้ที่มีปัญญาจึงจะๆ การกระทําเช่นนั้นคือวิปัสสนาธุระแม้ เพราะฉะนั้นฉะนั้นความแจ่มชัดอยู่ นักปฏิบัติธรรมจะต้องรู้รู้ความจริงแห่งต้นความจริงนั้นคือ สิ่งอย่างสมุทรนั้น 1 สิ่ง เรายึดถือว่าเห็นความจริงว่าไม่จําเป็นจะต้องได้ต้องมีต้องเป็น ว่าเป็นตัวอย่างของตนข้างภายในเป็นตัวอย่างของตนข้างภายในที่อาสวะ ตวะภาพหรืออาตวะที่ใช้ที่หมายถึงกิจเองความรู้เองเป็นภาษาบาลีนั้น แม้อาศัยแม้สร้างความดีแม้ที่สุดเป็น ถึงปานฉะนั้นจริงๆเราจึงจะหมดตัวภาพ เราเป็นผู้นำพาวางพาปล่อยผู้ไม่นำเรา เป็นพระเจ้าพระเจ้าหรือเป็นผู้ที่สร้างเป็นผู้ หรือพระเจ้าทั้งหมดก็เราเองนั่นเองเจ้าทั้งหมดก็เราเอง โดยเป็นเจ้าของตัวตนเป็นเจ้าของตัวตนที่ ผู้คือผู้ กระปรี้กระเปร่าเบิกบานสดชื่นไม่เป็นโรค เพื่อเราก็รู้อยู่เกลากิเลสลดวางจางเราก็เบาใจก็เราก็รู้อยู่ใจได้เป็นที่อาศัย ยังไม่รู้ก็มีอยู่ผู้ที่รู้ มีความเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติตนในการแต่